ว่างนี่มันว่างขันน้นทำที่กำลังบำเพ็ญก็เหมือนคยว่างนะแต่พูดที่ว่ามันว่างจากตรงนั้นจนนี้มันไม่ว่างขั้นของทำถึงขัน้นบ้างมันว่างมันเหมือนเราขึ้นอยู่บนหัวต่อ เรามองไปเรื่อยบ้างรอบตัวว่างหมดแต่ที่หัวต่อนั้ไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่กำลังเดินอยู่นั่นเดินบนหัวต่อมันเราว่าในตัวของมันเองตัวอื่นว่างกัหมดแผ่นดินทั้แผ่นก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านชลมันดาเป็นด้านวัตถุ มันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดมว่างไปแต่ที่ยืนอยู่นั่นคือหัวต่อเอยาบอยู่บนหัวต่อยอยู่บนหัวต่อนั่นตรงนั้นมันไม่ว่าเราไม่ได้ดูตรงนั้นนี่เรียกว่าคันความรู้สึกพอมาว่างตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาว่างจิตใ จ, ใจว่างปัญญ า, านี่กับว่างนี่ก่อนจริงปิดกันแต่ก่อนนั้นว่างแบบว่างมั้นมี ความว่างกับวัตถุที่กําหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมปัญญามันปรากฏขึ้นพัแล้วหายไปพักหายไปพักแสดงว่าผม ม, มันไม่ไขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากจิตเป็นผู้สมองต่า ภูเขาก็เป็นภูเขาแม่ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบต้นไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ววาดภาพสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมติอันห น, ห, หนึ่งที่ทาให้หลง โนการวาดภาพกําหนดนิมิตที่มันว่างกําหนดสิ่งที่มันว่างดไปให้ปรากฏขึ้นมาชื่อขนาดขนาดแล้ดับไปกําหนดขึ้นมาชื่อขนาดดับไปน้อเข้าไปก็เหมือนแหวนห้อยดับพอวาดปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับดับไปพร้องๆมันแสดงเห็นความสมมุติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปดับ เมื่อมองดูแล้วมันจะภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหนละงนอนตัวเองมันก็หมดปัญหาไปอีกภาพหนึ่งเพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับลงไปที่จิตมันถึงจะย้อนเข้ามาเห็นตัวจิตแล้วฐานที่เกิดดับนี่มันคืออะไรมันเป็นสมมุติหรือเป็นมีหมต ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมุติโอ้ไม่ไม่เป็นนิมิตมันเป็นตัวสมมติเราจิตทั้ทงดวงก็เป็นตัวสมมติเพราะมีอุวิชาขึ้เป็นตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในนะการฝึกซ้อมถึงนี้จริงเพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้อว่า รูปเวทนาสัญญาทัง้งขาทั้งใจแต่และอย่างอย่างมันเป็นชมุมมดมันเป็นขัน้นธุกิจต้รนรันร้ว น, นทิศมีอยู่ก็เมีวิชาแป่งโดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขั น, นมันไม่แสดงตัวออกมาก็ไมเป็นขันเชื่้มทั้งขานขั น, ขนต้องปรุงขึ้นมาเพืจะเป็นสัญญานะความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิษฐ์แล้วมันมันไม่เป็นขันมันก็เป็นกิตตาวิชา ฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาค่อยเข้าใจเข้าใจด้านมาดูหัวต่อที่กำลังเกยี่ยยืนนะทีนี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมดว่างไปวางไปดงนั้นอาการใดจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกอย่าขัน ของสมุทรเ็นการแ ด, ง, ดยงยิงย่ ง, ง, งแยกยิ่งแยบความคิดความปรเราแน่ใจเราลงภาคินาสดท่านคงมีความคิดความปรุเส้นเดียวกันกับทั่วทั่วไปเป็นไเพียงว่าถ้าไม่ติดท่าไม่หลงคุณทราบอาการของสมุติยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปสแสดงตัวขึ้นมาคุณราบอีผู้เป็นเจ้าของก็งมันถูอศิษย์ไม่ถือเป็ประธาน ตางานต่างธุรจิตก็ใ่ต่างอันต่างจริงจิตไม่รักโทษจิตไม่หลงเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่กลัวความดีใจเสียใจหึกกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จิตไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกได้จากความรวมตัวอยู่ ออกไปอยู่คนละทิศละทางตามความจริงของเขาิตผู้ที่รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตันจึงไม่ประวักโยงกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ขึ้นกาวมันละเอียดสุดขีดละเอียดจนข้างเลยข้สมมติไแล้วเป็นดีมไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้เขาจะเต็นขนาดไหนก็เต็นความรู้ประเภทนีจ้จะไม่มีไม่รู้รู้แบบนี้รู้แบบสมมุติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมุติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมุตินั้นไปได้ รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่วุ่เจ้าทรงรู้ซงเห็นแม่ซงสองสอนใั่โลกรู้ไปเท่าไหรก็ยิ่งละยึงถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้โดยความจำความภาพต้นดาวไม่ถอนกิเลสจึงไม่ถลอกเพราะความจํามามเรียนจบเข้าตรปิฎกก็เป็นปัญญาประจําษอยู่ไม่ใช่ปัญญาเป็นเห็นความจริง ความจริงกับความจำจึงต่างกันคุณน ล, ลกนี่น<ม>เราอยากถึงความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริญญาที่เคยศึกษาเราเียนมีเกีติศัลยงมานะะัขาตัณตาตะจูหรืออาการสารีสองเป็นต้นเรียนมาให้มาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาอ้าวทีนี้เอาความจริงเกียรติศคืออะไร ตั้งอยู่ยังไงเป็นย่ยงไรสถานที่อยู่ที่เกิดทั้งมันเป็นยังไงโลมาหน้าข า, าตาตาตาโจแต่ละอย่างละอยา่างสถานที่เกิดควา ม, ปมเป็นอยู่มันเป็นยังไงตาโจเป็นของสําคัญตาโจมันเป็นหนังหุง้มอันนี้อะ่ะเป็นเครื่องปิดบงังความจริงไม่มากทีเดียวอันเป็นความเด่นั้นปร ะ, ออประจักษริยานโต อาการสามีสองนี้มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี้เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลุดหนังออกแล้วใครจะไปหลง ก, กันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใครคนท่านไหนแต่ท่านไหนหมดความหมายไนั้นพอถ้าหลุดหนังออกแล้วมันเยิมไปเรื่อยๆแดงโลกไปหมดดูได้เลยนี่แต่ไม้แดงวันนี้มันจะไปต่อ ไน่องความรักความชอบใจจะไปตออไม่ตอเวลานี้ความรักความชอบใจเนะี่ยยิงในชายมีอยู่เนี่มันตอนอนู่ด้วยหนังเองเป็นสำคัญเพราะหนังเป็นศูนย์ทันึงสอนให้พิจารณาแต่โจจากนั้นมันก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่เสสายลงมาถึงแต่โจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้เอง ทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันหนึ่เดียวก็ภาคปฏิบัติพิจารณาด้ปัญญาการพิ จ, จารณาด้วยปัญญาต้องกระล่ัมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจังสอนสมาธิเป็นขั้นเดิมเลยก็ให้จิญญตสงบก่อนพิจารณ า, าอะไรเป้น จะเข้าอกเข้าใจนะันเป็นไปด้วยความหูหงุดจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหูหงุดคิดอะไรเพื่อผู้เพ่อปราศ ก, ก, กลายปเป็นเสื้อยาไปหมดนี่เป็นความเพล่เพลื่อไปเนี้ยหัวเหิมไปเสียแทนที่จะเป็นอาจเป็นธรรมกลายเป็นโรคเพิ่มเข้าไปอีกเป็นการถ่องสมยิ่งเร็วเร็ววิสิตัวในขณะที่พี่เจริญเพราะมันทะเลทลายออกไปตามนิ ส, สัยที่มันเคยเป็น เพราะจิตนีหงหยหิดไม่หาความสงบไม่ได้อ่นสอนวสมาธิปริภาวิต ร, ตรปัญญามาปราโถติมหานิสังสรารปัญญาที่อบรมสมาธิที่ปฏิสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผล ม, มากมีผลสมากคือธรรมาที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนคนรับทานอาหารมีหนนงทั้งนานพักผ่อนนอนหลับใหส้สะดวกสบายแล้วทางานองไม่หงไม่โหดไม่เหนื่อยไม่เพีย ตัางหน้าตัางตาทํางานได้ดียิ่งกว่าคนที่กําลังสิวจัดซึ่งทําอะไรไม่ค่อเป็นเม็ดเป็นหมื่อความเฉืเขียวก็งาน่ะจิตใจที่เป็นเพราะความนี้หงหดเพหาความสงบไม่หน้าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่งทานปุถุชให้อบรมสมาี่ให้มีความสงบพอเพียงพอแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทํางานไม่ทะเลลาไหลได้ง่าย สมาครที่มีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาครที่จะทําปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหมุนเฉยๆหมุนให้ปัญญาทํางานได้สะดวกคุณนหนึงอ่ไม่ใช่สมาครที่จะกลายเ ป, ป็นปรญญาซะเองให้พากันเข้าใจได้ตรงนี้ถ้าคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิที่ถึงห้าปีเต็มๆสำหรับผมเองคือทำนิดทำนานจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมัคที่นี้ไม่ได้ว่างั้นเลย ฐานที่สุดลงสมาธิกําหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานลงสมาธิมันแน่นปั่นมันพูเข่ามันจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละงาประแสจิตเข้าไปเท่านั้นนันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียอต่มันไม่เป็นปัญญาให้มันเปลี่ยนแค่นั้นสุดท้าก็ไปเหมาเอาความที่แน่นหนามมันคงรู้อยู่อย่างดิ่งหรือเด่นนั้น วาจะเป็นนิพพา น, นนี้ละนิพพานอันนี้แลจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่อยแต่มันนะไม่ได้เลือกธรรมะที่มีเป็นเครื่องอารมปัญญาไดา้จริงแตป่ปัญญาไม่ออกเลยพอให้สมาธิอุดหนุนได้มันตรุนได้เหมือนเนืน้อาหารเครื่องทําครัวขนมาไว้เต็มบ้านไม่ทำปรุงเป็นแงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็ เป็นเครื่องครัวอยู่พนั้นแต่ให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเพอพนั้นขึ้นมาไม่ได้นอกจากพนั้นเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทําอาหารชนดิดใดขึ้นม า, าสำเห็จประโยชน์เพรเครื่องครัวมันมีพวกหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทํานองเดียวกันเวลาสงบแล้วก็สงบอย่างนั้น อาจจะพัดาจะเกิดเมื่อไหรไม่เห็นเกิดมีแต่แนวแน่น น, นี่เลยติดสมาธินะเวลาติดพอมมามากระทบสิ่งนั่นสินี้ก็เหมือนกับคนขี้เกียจพอออกจากแดดตากฝนทําการทํา ง, งานบ้างนิดหน่อยรู้สักเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้ากนอนอยู่ในร่มไม้ชายคา ท, ที่ไหนสบายดีกว่าไปนอนเสียกินเวลาออกมาครับ สัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่นี่มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝลนั่นแล้วเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิแขนแนัวไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้า ไ, ไปเชื่อผลลูสบายเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาแด้เป็นมาแล้ ว, ลวอย่า น, น, น้พอออกทางด้านปัญญาเราจึงเส็นคุณค่าของสมาธิ พิจารณาอะไรมันพินจารณาจริงจริงจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ตามใจลังพิเรลดค่อยขาดไปเข้าใจพิเรลดประเภทใดพิเรลด์นั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาทั้งหมดเอ๊ะชอบคนชอบคนนั่นแล้วเดินหมุนไปอ๋อปัญญามันเกิดเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหาไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทําให้เกิดนี่รู้แล้วจริง สมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทาบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้อย่างไรเป็นสมาธิอย่างนั้นเชื่อเมื่อสมาธิสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคิ ป, ปาปัญญานั่นก็กลมคืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีน้ำท่าอยังพูดว่าสมาธิไม่จําเป็น เดินลาดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหลคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแก่อวดฉลาดมีมากนักเดินลาดตวนเดินลัดตัวนีน้ก็มันก็มาลาดคอจะฟ้องเนี้ยหรือลาดพินเก่งกว่าศาวตดาได้เลยวะไทยเปคนมันอยากไว้ศีลสมาที่ปัญญาไม่ใช่ศาวตดาเป็นใครมาสิเราจะเก่งกว่าศาวตดาได้เลย เจ็นก yeah, yeah, yeah. right. ็ศาสนาเมันก็เลยมัตสึมาศาสนาสอนว่ามันเป็นมัตสึมาธรรมดาหาที่ฆ้าไม่ได้เรื่องพิจารณามานี้วการพิจารณาให้กินให้จังเวลาตั้งหน้าต่างตาให้ทาความสงบก็ให้มีหน้าที่อนเดียวอยากก็โคนกับการพิจารณาอะไรทั้งขึ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกันน้าไหลลงช่องเดียวมีกําลังอ่ะมันไม่เป็นน้าไหลบ่าถ้าฉันจะเป็นกังวลกับพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิ ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นยาทํานี่เคยทํามาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติทางขงเราที่ดำเนิน ม, มาผิดถูกเป็นครูมาโดยลําดับที่นถึงเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาเอาพิจารณาลงไปบังคับจิตพิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้งงานไม่ตึนไม่ตึนปัญญาก็จะกลายเป็นชัญนยาไปทะเลถลายไปเรื่อย หัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังหยาดนิสัยอย่าดเลาะเหลกให้เป็นคนจริงบตัว เ, เองคุณค่าแห่งความจริงนี่สูงสุดเลยยกติดให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงองอกจอากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายนั่งอยู่กับติดอยกับตัวแ ล, ล้วร่วมตายเขาไม่เคยทําสมาธิภาวนาเขาก็ตายเตะกันเต็มโลกไปช้ามื ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ไหนปราชญ์มีอยู่สถ า, า, านที่นั้นนละเว้นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทําไมกลัวร่วงกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุเหตผลของทุกเวทนาอยา่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนะั้นเป็นปัญหาขึ้มนมาแล้ว หายหรือมหายก็ตามเราขอรู้ความจริงเป็นมากอย่างนั้นแต่คนทำนมเห็นความจริงไม่เรียบปรับตันหาเรียบว่างมาัดเรียกค้นลงไจริงๆด้วยทุกข์มากทอะไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนจิยวจิตสติยิ่งจอยลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกสัด ท, ทุกส่วนทุกที่ตรงไห น, นอายเป็นทุกแยกแยกอย่างนี้หมุนจิ้่จิ้วจิ้วหนังเป็นทุกเทียบหนัง กับทุกเหมือนกันไหมห mm hmm. รือว่าใจเป็นทุกข์ใจกับหนังกับเวทนามเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกให้ม yeah, yeah. mm hmm. ันเป็นอุบาลหเทคนิค mm hmm. ของแต่ละคนแต่ละครูุบายอาจารย์เป็นแต่เพียงคิดแต่เพีทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่จะของกัไปตีแผ่ก้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้ของ ข, อง ข, องของึ้นมาเอง mm hmm. นั้นมันเป็นเรื่องของเรา mm hmm. แต่ละคนแต่ลคนมี่ข้างหยิบ ยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดแต่อยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้ ส, นสิ่งนี้งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอาดีตไปเสี่ยแยกออกนอกไม่คิดจากหลักการนั้นในในวงปัจจุบันมันจะงงก็ไปนี่เคยได้ดใจเรามวนี่ใช้ยาก เคยได้เลยทุกเวทนาะเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรได้มอบเป็นร่าตายก็ลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีพุ่มกันเต็ที่จิงเห็นเลยว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นนาตาเข้าว่าพร้อมโดยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมา เด่นอศัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจอันก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดูซิทุกขเวทนามัน ม, มันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยและดับไปข้างล่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกเปงเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอศัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวฉักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราจะพูด เกนกว่านั้นไปไม่ได้แล้วล่าสุดจะว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู Double ่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้ไห่นั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาบว่าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่นั้นมันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันก็ทราบเองมีประกัน คือพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับไปหมดเลยดับอย่างเลือดเลยด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนละคนไปคาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามทิสัยของท่านครวบาอาจารย์แสดงใหคฟังตัดทิสัยมันเหมือนกันท่าเรากําหนดอโดยเฉพาะ หน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสาําหรับการปฏิบัติอยากก่าไปค่าไปหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเกียรตเทียบในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาตัวของเราเองประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ประกา ร, นน ร, การที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกเวทนาก็มี แต่มัน ไ, ม, นไ ม, ม่มันไม่มีอํานาจอะไรเลยจริงทั้งมืก็สั่งแต่ว่ามืออยู่เท่านั้นเองรว่เป็นเวทนาทุกขเวทนาแล้วทุกเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายเป็นความจริงหนึ่งเจิตก็เป็นความจริงหนึ่งนั้น <vinyl> ตา่นตางอันตา่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ้มได้อยา่างสบายหรือจะตายในขนาดนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันสามารถทุกเวทนานั้นสามารถแทรกซึมเข้าไป ทำลายจิตใจให้วันไหนไปได้เพราะปัญญาพิจารนรอบแล้วนี่เป็นประการฉะนั้นเราเคยพิจารมีสองสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยดับธรรมชาติธรรมอื่นเราไม่ปรุงไม่แตะเพราะฉะนั้นจินตากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยดับธรรมชาติและแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายัางไงมันถึงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งดับไปหมด เราพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่หนะักแต่รอบกันหาัอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจุตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายแตอย่างสบายสบายทุกเควทนาไม่ครอบเราพิจารณาอย่างไนอันทึงเป็นอย่างนั้นมันกคือ เ, เรื่องของเจ้าของเองอแต่จะจะดับหรือไม่ดับไม่สาคัญสําคัญที่รู้ต่างอันต่างจริง ให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สําคัญสําคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี้เรียกว่ารู้รอกหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าทำมาทุกขรังอันเดียวแต่จริงทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะ่ะจริงอย่างนี้เองแล้วไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เอง มันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปแล้จะเปิดค่าน้าคนนี้พาไปาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเรา<ม>อ้าวดำเนินไปเถอะธรรมนัม้นธรรมะปฏิปปโนโหติให้ปฏิบัติทำทุกคนจะทําเป็นการบูชาทำบูชาตถาคตไล่เห็นทำเห็นตราคตอยู่กับความกินเนี่ยนีอย่างนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะแท้ก็คือความบริสุทธิ์ที่ความกิน ภายในจิตถึงความจริงพันส่วนสมมติโดยตลอดโดยถึงนีนจิตก็เป็นความจริงเต็มตัวความบริสุทเต็มตัวนั่นองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนเอยท่างนิพพานนั่นที่นี่ น, น, น, น, น, นั่นก็เป็นสมมุติขั้นึ่งสําหรับผู้ปฏิบัติอยากไปคาดหมายเราเคารพทั้งสมมุติสถานที่กาลเวลาของพรองค์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้ง ต, า, งตามความจริพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ะ ผู้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจากโคตรตรงนี้ตรงสาคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยแก่ไรเห็นพระพเจ้ามากน้อยแก่นั้นเห็นธรรมเต็มดวงใจเห็นธรรมเต็มตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มอกอ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ท่านจปนี้ผานไปนานไม่นาน อันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการดุโค ธ, ธรรมชาติคือบุญสืบของบุรุษเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจึงไม่ยึดกับอุตสาหไม่ว่าเวลยวนน่าฤาษีอภินิพานไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีผู้แนะนําส อ, สอนสอนสวราคาทํานั่นแหลคือตถาคตแทะองค์ตถาคตแท้ได้จากความรู้แจ้งเหงนจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติ มีอยางใหญ่อยู่ตรงนี้ีย่ยไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกจำได้เห็นนั่นแหละมันเป็นกรงจับมันหมุนตัวเป็นเกลียวหาความสงบไม่ได้ทิ้งเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเผลนก็เพลินเพื่แต่หาความทุกข์นั่นแหละไม่ไปไหนเลยทุกข์ก็ทุกข <c oughs> ์ไปหาความทุกข์ เือโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมนีเพลินเพลินเพราะสันติสุขสุขก็สุขโดยธรรมคือกัรหนุนมากเราจะไปหลงจิงจอมปลองเท่าไหร่ทำเนินทำหลักที่ผู้เจ้าทร ง, ทงสนนรอนไม้เล่ยงนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู mm. ้ทรงรู้แจ้งที่จริงทุกสิต ท, ทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกกับวิถีในโลกนี้มีใครเป็นโลกกับวิถูจะรู้แก้งที่จริง นนั้นและตรงความสุขก็อย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้ า, าพอที่จะไปยึดไปถือไปลหลงไหลไปฝันกับเา้าในคำพูดคำํำใจสียาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันแสดงพระเยรูอมคงจับทัดผันตัวเองต่างคนต่า ง, งทัดต่างผันกันหุ่นไปมาแง้มัน้มคงจับแง้มิตจิตยาไปช้นใจเราอะไรไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าธรรม เราไม่ประมาทไม่อเที่ยงความถูกเที่ยงความประสงคแล้วไม่มีอะไรเกินทำทำดีที่ไหนทำจะก็ผิดที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแต่ทำคืออะไรก็คือใจใจเป็นฐานะที่เหมาะสมกับทำทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งให้มีอันใดทะไรเหมอใจไม่มีอะไรจะเป็นฐานะรับรองทําได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ทำเห็นทำนอกจากปิดเท่านั้น มีอะไรที่จะทรงทำนอกจากจิตลมมีอะไรที่จะเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิอยู่ตรงนี้เอาให้ดีมันเกิดเ้าอย่าไปสงสัยสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนตัดท้อความเชื่อความคามให้อ่อนแอเอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูอาเกิดหรือไม่เกิด มีภพมีชาติเคยมีภพลุ้งมีชาติหรือ ม, ดมีดูเอาตัวนีตัวเรานี่นี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอแล้วปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชาติเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากจนี่เลยมันยึดมันถื อ, ม, ถอมันจับจองอะไรทั่วสกุลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดหมายว่า ขี้เก่าที่ใหม่เป็นเนืภูมิเรียว่าเป็นเราเป็นของเราทุกกระบอกขนาดไหนเรียกว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมือมันตาฝ้าฟางไม่มีมติปัญญาเครื่อนไข้ค ว, มควรมันจึงถือว่าเป็นเราทั้งนั้นอืหลังเนื้อเองก็ดูอาการทั้งสองเป็นเราแม้สุดทุกเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราดีไหม ือความหลงความฟ่าฝ่าองจิตการถ่ตจิตปัญาเห็นชัดตามความจริงอย่าไเป็นถอยพูดธรรมมันก็ถ้ามีข้อเกลี่ยเทียบมันมักจะลืมเราลืมข้อเกลี่ยเลยไปเสียพูดลงไปพูดไปดับไปฟ้อมไปฟ้อมอย่างนี้ไอ้่ไม่ทอาพูดอะไรเข้ามาถึจิตมีเป็นขอเกลียยเคลย่อนผู้ทุเสี แตะตัวจิงคืออะไรก็เลยลืมไปเสียพูดถึงธรามะผลนิพพานที่ขึ้นที่ทิจิตกำหนดลงไปที่นพิจารณาสิ่งที่ปกปิดกาําบังขันทั้งห้าเป็นเครื่งองปกปิดกาําบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งสิบไปกว้านเอาสิ่งนี้เขามาปิดตมเรื่ออุปาทานความมิจมั่นถึงมั่นท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจน พิจาล้ารณาเล่าเ็นชั่งนิดชั่งนานเห็ น, น, น, นแจ้งแล้วสิ่งนี้มันปล่อยวางมันเองมันก็รู้ประเสริ่ได้อยู่ที้ไก่มันมีพิจาราความเกิดนน ค, คือเราเนี้เป็นตัวพบประชาติแต่สิงนี้พู่ถึงหนึ่งความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอ ด, ดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังท้าเชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือพบคือชาติ มันเดินมาจากมันมาถึงดินเลื่อนล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยภพภูษามาถึงปัจจุบันนี้จึนเป็นตัวพบตัวชามาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกมก็ก้าวต่อไปอีกไปถือพบใหม่แน่เครื่องยืนยันกันอยู่ี่นี่ถ้าอยากเมื่อยากทราบแล้วก็ให้พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นรู้ปัสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความ เห็นจุดรวมของจิตมาต่างจากขันนะสมาธิมีความละเอียดแม่นหนามันคมนเพียงไรยิ่งเห็นทัดเยนระหว่างขัน ก, กับจิตน่าเป็นคนละอยา่างร่างกาย ก, กับจิตเป็นคนล ะ, ยละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชดัดเห็นได้ชดัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องพัวพันธุ์มันเคยยึดมั่นผีมันถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็น ควต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปมันเหลือมากน้อยไงไหนก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันยังละมันถอนไม่ได้เอาจนทเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านผ่านผ่า น, า น, านตัดออกด้วยตัดออกด้วยผลดุท่า น, นก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสี้ยจิตก็สงะาผ่าเผย อ, อยู่ภายในตัวเองภายในขัน แต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างกระจ่างเที่ยสง่าผ่าเผยอยู่โดยลำพังของติตเองขันมันก็เป็นขันทมันหนอีอนะืเป็นเหตุให้กล้าเร่องพบล่องชาตชาิของตนได้ชัดมันมีอะไรที่จะสิบต่อเนื่องไปก้าไปอีกในพบน้าพบละเอียดขนาดไหนมันก็บอกภายในจิตจิประเภทนี้จะต้องเกิดในพบนั้นพบนี้มันรู้อ่าจนะิตลนะเอียดประเภทนั้นทําให้เกิดในพบนั้นจิตละเอียดประเภทนี้ทําให้เกิดในพบนี้ วิริ ย, ย์ใหญ่ใหญ่ทให้เกิดในภพใหญ่วิริย์ละเอียดทําให้เกิดนพนภพละเอียดนี่ก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมุติจะ ต, ตั้งพบใดความทุกต้องมีงตามขัน้นแห่งภพหรือตามขัน้นแห่งกล่มทันไม่มากก็น้อยผลชาติเดินไปจนทั่งตัดขาดรอนไ้ไม่มีแล้วทำลายวิชาออจัดใจขึ้นเป็นตัวภพอย่างแท้จริงออกจากใจที่หรือว่าแต่ความมือสุดล้วนๆไม่มีอะไรเป็นพบเป็นชาติหายสงสัย คราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบภพภูตชาติไหนได้มาถึงเพียงขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันมาหมดอนาคตไม่มีเรื่องภพเรา่องาตหมดแล้วในอนาคตมีเฉพาะพกพ่าติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่นี่แล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปทานเพราะอํานาจของ ก, กสิทิ์ปัญญาศรัท ธ, ธาความเทียนมีรู้ชัดอย่างนี้เองไปหาลูกที่ไหนสันทิพย์โกพระพุทจ้าไม่ทรงผูกขัด มีอยู่กับทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติเอาให้ดีนะปฏิเ <c oughs> ครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันที่เลส ก, ก็เป็นประเภทเดียวกันมัดเครื่องประหารประหารกิเลส ก, ก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคําสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบขั้งพุธการไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความทาเข้างอันเดียวกันที่เลสเป็นประเภทเดียวกันทําไมมันจะแก้ทิ่เลสไม่ได้ ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลําดับดแีแล้วมัชฌิมาปฏิปตตทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบการมิจฉาทิฏฐิประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทําไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นนอกปณิธานแม้ผูป้ปฏิบัติโดยชอบทำได้ถือมั่ น, นปณิานนอกจากภุกระสุนไทยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมัช คือสมาธิปัญญาเป็นสําคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิงนี้ออกนิโรธมเมื่อรามากมีกําลังมากเพลินไรตัดกิเดษตัญหาสล ะ, ะที่งดวจิตก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพลินไรนิโรธก็สแสดงตัวขึ้นมาสแสดงตัวขึ้นมาคือดับทุกข์ไปเรื่อยเพราะอำนาจของมากไม่ใช่นิโร ธ, ธาหน้าที่เอิงนะ <c oughs> เรื่องของมากเหมือนกับความอื่นที่เรารับทานไม่ใช่ความอื่ทําหน้าที่เอินตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหาก เป็นผู้ทําหน้าที่ให้ระดับระงับทุกขเวทนาหรือความหมิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีมอย่างนั้นโู้เรียก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาสอนโลก<ม>ท่านถึงแยกแยะอวามหนึ่ตามขั้นตามถุนทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเขา้าใจว่าการจะทำทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แดียวจะไปต้องทํานั้นจะต้องทํานั้นยาไปกินอย่างนั้นผิดทั้งเพย์เดียวอ่า ทุกมันเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรน่ะปัญญาขึ้นแล้วอืเหตุที่สําคัญมันหมายว่าทุกข์นนกเป็นนั่นทุกข์เป็นอย่างนี้นั่นคือตัวที่มีไทยปัญญาคิดค้นตามมันน่ะสัจธรรมมันทํางานพร้อมกันนี่เป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นหนึ่งแทุกข์มันก็ดับไปเองอนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกอมรอบตัวแล้วเนียอิทธ ที่กําหนดให้รู้พบรู้ชาติเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในพบชาติเดียวนี้เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้พ้องเกี่ยวโดยผมน้อยเปรียบไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องตัวยวงรู้รู้อย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปที่สุดให้เห็นความจริงตัวเองแล้ว ถึงจะจำได้ไม่ได้ก็กตามพบค้าศต่างๆนั้นนะมันชัดเินมากตัวนี้แหละตัวการอยู่นักท่องเที่ยวพาให้เกิดใจเกิดตายไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอ ย, นถอ ย, นถอยจนกรทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ที่มาตรงตัวอีกแล้วนี้ยังไม่ก้าวต่อไปอเอาแก้ให้มันเสียเหล่านี้ยาให้มันเหนอะนะให้มันก้าวต่อไปอีกพบข้าศตรเขายึดติดกันเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งมสมมติภานะจิตใจคือขี้เหล็กประเภทตา่างๆมีวิชาเป็นต้นาอให้ดับ ตรงนี้แล้วแสนสบายนี้อยู่นั่นอยู่เธอโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งจิตเป็นจิตจิตพอพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมูตานี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรลเลยอหรือธรรมาชาติความมืดสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะอืม ยิตพระกินาจบท่านไม่มีเรื่องเวทนาทุกเวทนาก็ไม่มีทุกเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของพระกินาสกไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บงังคับให้มันแทรกเป็นเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นกรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี้อย่างใด อ, อย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแล้วนิพพานาังปรมาสุกลงไม่ใช่ทุกสุขเวทนาพระอาจารยจิมทาให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆสะดุะดใจเรื่อยๆที่มีพระเ จ, ะะจะ้าฟ้ากุท่านมาเชิดพูดถึงเรื่องมาเอยู่วันาวันตากนี่นะสลาหลังนีเน้เรานั่งฟังสมัยพระพพุทธเจ้าทั้งกระทรวงโทุกคเวทนาว่าโอ้สะดุดตื่นเลยเนหะ็นไหม ถ้าเป็นผ่านหนุ่มผ่าน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเที่ยวท่านจะเห็นได้เนี่ยเห็นบอกเห็นพระอ น, นุ์สั่งรับสั่งพระอ น, นุลให้ลาดสังคาติแล้วจะพักผ่อนเราอ่อนเพลียเป็นทีลหบักร่างกายเป็นหำักร่างกายเป็นทีเราจะพักผ่อนอนุลให้ลาดสังคาติเห็นหรือท่านบอกพระอนุลไตักน้ำํำยุ่ยกระหายท่านพูดทุกเรื่องขันต่างหานึ่ อ่อนเพียเรื่องขันอ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันว่าไม่สามารถจะเดินกระเด็ดต่อไปอีกได้ต่วงพักผ่อนก็นก่อนขันมันอ่อนตัวอ่อนกําลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยอท่านจะมาสะเสวยอะไรทุกขเวทน า, นาธรยใจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขณะจัดสรู้แล้วครับ เวทนาตัวไห่อันเป็นสมมุติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้จึงวหมท่านถือกาเวทนานี่มันสะถุดปังเลยหัวใจเราเราก็งงนี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในกจิตนี้เลยอเอาตัวนี้เละเป็นเครื่องดิงกันแล้วมันสะดุดกระเพาะจิตนี้มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เห็นดับชัดๆภายในใจขอเรา ไม่มีเจตนาตนไหนที่จะเข้าไปครอบอหัวใจบรรดาเลยเป็นอิจฉ า, าโดยลําพังโดยไม่ต้องไปเสด็จไปสานไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระิณาศดังที่ า, า, าอาจารย์นั่นท่านอืนนมเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่ า, วาถ้าสาวก บ, บางองค์นอนนิพพานบามองค์ยืนนิพพานบางองเดินนิพพานบางองนั่งนิพพานอืเล่าถึงจากทีนี้โลกทั้งหลายมีความทั้งหมบ สมาโงมนเท่กันไม่เป็นนั่ ง, น, งนั่งนั่งนิพพานเดินนิพพานได้ยังไงถ้าเป็นอย่ากแบบร้องคงอ้างอืออยังไม่ได้สติสตงังที่เมื่อถึงตัวถึงขนาดตกอกเกียวลงไปนันมันจะเอาอะไรมารู้ อ, อมันจะเอาอะไรมามาเดินตายนั่งตายยืนตายได้เพราะทุกเวทนาครอบําหัวมันมีแล้วจะตายจะไม่มีสติสตางคนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะ สามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังท้าวพิณาสดท่านไม่ใช่คนประเภท น, นี้ท่านเป็นพระที่ท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทุกิเวทนาจะเป็นถึงไหนก็อยู่ในขันจิตก็เหนืออยู่ได้ตลอดกาลท่านอยากจะนิพพานในท่าใดตามมัตยอา แ, แสของท่านท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบาย ตามความถนัดของปัญญาสายท่านเห็นองค์นั่ง น, นิพพานท่านก็นั่งเดินนิพพานท่าก็เดิ น, นเดินดนิพพานท่าก็เดินได้สบายๆเพราะไม่มีอะไรมามาคับจิตใจของท่านได้ น, ด น, นี่มันคือการที่ตรงนี้อืมันเหมือนจิตมันเข้ามันเข้าใจอย่างนี้ครับอย่างชัดเจนนี่มันจะไม่สรุปได้ยังไงถ้าเราโง่ขนาดเราเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใด ข้ไปเยี่ยมยามทํานายจิตแง่แต่น็ดไม่เคยเปล่านันเป็นมีู่ตามความจรินของมันท่านั้นมากน้อยมันก็เป็นตามจรินก็รู้อยู่แค่ัดอยงนั้นแล้วแล้วเรื่องตำนานไหนมามาครอบนังำพอให้ใช้เสวยหรือนิ่งทมันท่านรับสารตามพระอาการของขันของสมุตตนาอานนทาร่าสังกาที่เราเหนื่อยเราจะพักคําว่าเหนื่อยคือมาธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกาลังอานน์ นล้วล่าสังา้งขาที่ให้ขันนี่มันพักคุ้มยังไงขันนี่มันต้องการน้ําอโหนดไปต่างน้ํามาให้เราบื่ให้เรากินขันนี่มันต้องการน้ําไม่ใช่สถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่ตงตถาคตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วเนี้ยจะอยู่ในขันซึ่งเป็นตัวทุนมุขปัญญาตถาคตแค่อย่างแท้จริงนั้นไม่สนใจสักอะไร อคือตถาคต อ, อยู่โดยหลักธรรมชาติ น, น, นี่ความจริงเป็นอย่างนั้นเห็นพระจักเราไม่มีความมุความถนัดหลักเหลมก็าตามแต่ไม่ก็ชาติที่ภายกินในใจใจของเราเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดวเวลาตายทุกคนเป็นควาถนัดแล้วเราตายคนเดียวก็สะดวกสบายดีตายตามมาัธยศัยของเราเวลาจะตายหัวสูขมมยย้ข้อลมไม้เหนือภูกเขาทํถ้ำที่เป็นความสะดวกสบายตามมัธยศัยนั่นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดคือไม่หวังจะพึ่งใคร แม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมาแน่นอย่างไงขันก็เป็นขันรู้อย่างไรธาตถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสะดบกสบายโดยไม่ต้องมีใครมายุ่ง ม, มีเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะร่มจมเพราะความตายไปของเราเมันแน่ขนาดนั้นจะให้จะตายอะไรก็สิน้นหายมันไม่มีมันจริงทุกิ